เสียงร้องของดอกหญ้าดอกหญ้างอกงามอยู่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่ทั้งสองเป็นเพื่อนคุยกันมานานวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งถือขวานเดินมาแต่ไกลดอกยญ้าเห็นก่อนจึงร้องเตือนเพื่อนรักต้นไม้เพื่อนรักดูชายคนนั้นสิท่าทางไม่ดีเลยอืมท่าทางเขาดูเหนื่อยๆนะต้นไม้ใหญ่ว่า ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าเขาถือขวานมาด้วยน่ะชายคนนั้นเดินมาหยุดใต้ต้นไม้ใหญ่วางขวานลงและนั่งพักเหนื่อยสักพักก็ผ่อยหลับไปเอาเลยต้นไม้ใหญ่สลัดลูกไม้หรือกิ่งก้านของเธอสักกิ่งใส่เขาเลยเขาจะได้กลัวแล้วก็หนีไปไกลๆดอกยญ้าเสนอขึ้น ทำอย่างนั้นทำไมเขากาลังหลับสบายอยู่นะต้นไม้ใหญ่ว่าแต่เขาเป็นคนตัดฟืนนะเธอเขารบขวานคมกริบเลยเพื่อมาตัดต้นไม้ใหญ่เธอไม่เห็นเหรอดอกหญ้ายแยงต้นไม้ใหญ่หาได้ทุกร้อนกับคำเตือนนั้นไมมกลับก้มลงมองชายแปลกหน้าด้วยความห่วงใยเขาดูเหนื่อยล้ามากเลย คงเดินทางมาไกลฉันจะโบกกิ่งไว้วเพื่อให้เกิดลมเย็นสบายแกเขาแล้วต้นไม้ใหญ่ก็ปล่อยตัวให้ลู่ไปกับสายลมจนเกิดเป็นลมเย็นชื่นใจประท้าหน้าของชายคนนั้นเขายิ้มทั้งๆที่ยังหลับอยู่พอรู้สึกสบายมากขึ้นผ่านไปพักใหญ่ชายคนนั้นก็ลุกขึ้นบิดขี้เกียจแล้วหยิบขวานขึ้นมาจากพื้นเล็งไปที่โคนต้นไม้ใหญ่ แล้วเหวี่ยงคมขวานลงไปอย่างแรงดอกยญาพูดว่าโถต้นไม้เพื่อนรักฉันเตือนเธอแล้วให้เล่งงานเขาก่อนแต่เธอก็ไม่เชื่อเธอให้เขานอนพักใต้ร่มเงาของเธอซ้ายังโบกลมเย็นๆให้แกเขาด้วยดูสิว่าเขาทำอะไรเขากาลังจะโค่นเธอชายผู้นั้นยังคงลงคมขวานใส่ต้นไม้ใหญ่ต่อไปอย่างหนักหน่วง ต้นไม้ใหญ่บอกดอกหญ้าเพื่อนรักว่าฉันคือต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของการให้ฉันรู้จักการให้แต่ไม่เคยรู้จักการทวงคืนต้นไม้อย่างฉันไม่เลือกที่รักมักที่ชังฉันให้สิทธิ์ทุกคนที่จะขอรับความร่มเย็นจากฉันอย่างเท่าเทียมกันฉันยินดีที่จะมอบลูกๆของฉันให้แก่ผู้หิวโหวย และเต็มใจที่จะให้เขาโค้นฉันเพื่อ น, นําไปเป็นเชื้อเพลิงที่อบอุ่นเพราะฉะนั้นฉันจึงไม่รู้สึกเสียใจกับการให้ในครั้งนี้เลยเพียงแต่เศร้าใจที่ต้องจากเพื่อนรักอย่างเธอไปก็เท่านั้นต้นไม้ใหญ่กล่าวพร้อมกับคมขวานสุดท้ายจากคนตัดฟืนแล้วมันก็ล้มลงตรงนั้นเองเธอทั้งหลายต้นไม้ ได้ให้ความร่มเย็นแก่ทุกคนที่นั่งอยู่ภายใต้ร่มเงาของมันมันให้ความร่มเย็นแก่ทุกคนไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าเขาจะเป็นเศรษฐีหรือว่ายาจกไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือคนเลวแม้กระทั่งคนที่ถือขวานมาพร้อมกับความตั้งใจที่จะโค่นต้นไม้ก็ตามถ้าเขาเหนื่อยเขาก็พักนั่งใต้ร่มเงาของมันก่อนที่จะลงมือโค่นมัน ผู้ที่จะมาทำลายต้นไม้ยังได้รับความร่มเย็นจากต้นไม้ถึงเพียงนี้ต้นไม้ยินดีรับใช้เราแม้กระทั่งมนุษย์เอาไปเผามันก็จะให้ความอบอุ่นในยามหนาวต้นแก่นจันเมื่อเราเอาขวานไปตัดต้นมันมันก็ยังให้กลิ่นหอมติดมือมากับขวานของผู้ที่ทำลายมันด้วยซ้ำถ้าคนเราเอาอย่างต้นไม้สักเพียงเล็กน้อยคือเรียนรู้ที่จะให้เรียนรู้ที่จะรัก และเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือคนอื่นอย่างเท่าเทียมกันหมดไม่เว้นแม้ ก, กระทั่งศัตรูของเราเองเราจะได้พบความสวยงามมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้บางทีเธออาจจะคลางแคลงใจว่าทาไมเราต้องให้เขาทั้งทงที่เขาคอยแต่จะเอาจากเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะต้องให้ไปอีกนานเท่าไหร่กันหนาเขาถึงจะพอแต่ก็นั่นล่ละ เรายิ่งต้องให้เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของเขาเพราะคนไม่รู้จักพอเป็นคนน่าสงสารเนื่องจากชีวิตของเขาไม่มีแก่นแท้ใดๆเลยดังนั้นเขาจึงไม่เคยพอให้เขาไปเถอะให้คนที่น่าสงสารเหล่านั้นแล้วสักวันเราจะพบว่าการให้อย่างจริงใจช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกนี้ได้อย่างมากมายจริงๆ สิ้นทุกสุขเธอ